นิช่วงของการคุยธรรมะกันที่เราที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้ดีแล้วทําไมเลยคือพุทธศาสนาเนาะศาสนาก็คือคําสอนของพุทธะแต่เราก็ ห่างกันมานานมากท่านผู้ฟังนะเป็นพันๆๆอาจจะมีการบิดเพือนไปบ้างๆนะแม่บท แต่ตรัสตอบเนี่ยไม่มีความถ้ามีใครบอกอันนี้เป็นฟังมาๆในหมวดพระวินัยๆนะ นะถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้เดี๋ยวจะมาผิดแล้วก็ให้ เราจะเอ่อไปหาข้อมูลได้บ้างใช่มั้ยเราไม่ในพระเจ้าก็เอ่อให้มีการไต่ถามสืบถามและการอันนี้ก็ เราต้องกลับไปหาตัวแม่บทเสมอต้องกลับไปหาตัวแม่บทเสมอในสมมุติว่าท่านฟังอ่านคําอธิบายของ แล้วถ้าต้องการไปอธิบายตรงนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งต่อต่อต่อไปเรื่อยๆใช่มั้ยสมมุติกอธิบายคําของพฤเจ้านั้นไอ้คนเราเราไม่เข้าใจที่นายกพูดนี่อ้าวเราก็เอานายขอมาอธิบายนายกที่นายกใหม่เข้ามาไงเฮ้ยนายขอเอานายคอมาอธิบายนายขอสินายคอนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องผมยังไม่เอานายงอมาอธิบายนายขออันนี้ไม่ถูกนายเราต้องกลับไปหาแม่บทเอ้าเอาใหม่สมมุติพฤเจ้าพูดอะไรออกมาตรัส ในไนขออธิบายที่พุทธเจ้าเอ๊ะเราไม่เข้าใจอ่ะเอาเราไปถามนายขอถ้านายขอ นั่นนี่คือหลักการที่ท่านฟังที่เอ่อเราจะหาข้อมูลได้ นะเราอํานวยกิจนะด้วยนะไม่ /106 puredhamma.com เนี่ยนะแล้ว 106 ก็จะ แล้วก็อาจจะเป็นถามด้วยบทเพลเป็นมาติกะตรงไหนที่ต้องๆนะรู้ตรงเฉพาะจุดนั้นก็ยิ่งดีนะจะ เอ่อในการถามคําถามเนี่ยพระเจ้าก็นี่ก็ๆก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างๆก็ติดต่อ มีการอ่านพุทธวจนะให้ฟังเนี่ยเอ่อเรื่องหนึ่งที่น่าสน คนไหนที่มันฝึกได้เนี่ยแม้ถ้าให้พระเจ้าฝึกถ้าคนฝึกไม่ได้เนี่ยก็คือสอนไม่ได้นะคือบางคน ฆ่าถึงซะนะพระเจ้าก็จะไม่สนใจไหนยังนาย ไอ้ใครเป็นคนที่ฝึกได้ไอ้ตัวฉันฝึกได้มั้ยตัวฉันพอจะ นะ, นะ, นะ, agenda นะมี จะมีวิบากของการที่ฝึกยากอยู่นะหรือว่าอ่าตรงๆแต่ถ้าเป็นถ้าเราจะพูดถึงคนตรงมันก่อนนั้นอันดับแรกอ่ะให้ ลักษณะนี้นะการที่พุทธเจ้าฝึกเป็นขั้นๆเนี่ยท่านฟังเอ่อพระพุทธเจ้าก็เคยบอกอีกอย่างก่อนนะพอรู้จักกับการสวม เนี่ยตั้งฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกให้มันถึง 4 ขาแยกออกจากกันได้นั้นเดินย่องเท้าเผาๆวะๆคุ๊กๆๆไปไม่มีเสียง ถ้าได้บุคคลที่ควรฝึกได้มาแล้วท่านได้บุคคลที่ควรฝึกได้มาแล้วเนี่ยพระเจ้า แล้วพูดถึงข้อดีคุณทํานี้คุณได้ดีอย่างนี้นะคุณทําความดีสิมีผลอย่างนี้นะ 2 อย่าง นับประสมกันทั้ง 2 อย่างเหนือลมุนลม่อมบ้างด้วยวิธีแข็งกระ่าบ้างและเพื่อที่จะให้ 3 อย่างนี้เอ่อ นะเปรียบเหมือนช่างทําหม้อทางฝั่งนั้นถ้าเราเคยไปรูปหม้อเนี่ยเค้าต้องเอาดินเหนียวมาก่อนดินเหนียวเนี่ยก็ต้องไปทําการกระบวนการ เราได้เอาบรดที่ควรฝึกมาละนะพอเราได้มาแล้ว อันนี้กําลังพูดถึงว่าตอนที่ปั้นเสร็จเป็นหม้อที่ดิบอยู่นะพอ 3 วันบ้างแล้วแต่ที่ ระหว่างเนี้ยหม้อมันยังนิ่มอยู่เค้าเรียกว่าหม้อ เขาจะระวังมากตอนที่หม้อขึ้นรูปเสร็จแล้วแต่ยังไม่ผ่าน แล้วมือที่จะสําหรับสนุนดาวอีกมือนึงอีกมือนึงเนี่ย น่ะพวกเจ้าก็เปรียบเทียบว่าจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดจะชี้ทอดแล้วชี้ทอดอีกไม่มีหยุดผู้ใดที่มีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้ท่านผู้ฟังเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเรามีมรรคผลเป็นแก่นสารและเราจะหวังสิ่งที่เหนือยิ่ง